ด, ด้วยพระนามของ a l l a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อามมการสะสมทรัพย์สมบัติได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน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 ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าเห็นไฟที่ลุกโชนุมมลนอกแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาอย่างแท้จริงุุมม ม, นนมาลอนนนนนิิด แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับในโลกนี้